พูดถึงการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการศึกษาที่เรียกว่าศิกขาสามเนี่ยนะการศึกษาที่ศีลศึกขาอธิจิตศิกษาที่ปัญญาศิกขาถ้าศึกษาถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นศิกขานุตริยะเป็นการศึกษาที่ไม่มีการศึกษาอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่าเพราะว่าผู้ที่ศึกษา ศีลศิษยาสําสเร็จเนี่ยนะมีจิตสิษยาพอประมาณมีปัญญาศิษยาพอประมาณเขาก็ปิดอบายทุกขติวินิบาตได้สําเร็จเพราะว่าเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ที่จะรตรัสรู้ต่อไปในอนาคตผู้ที่ศึกษาอธิศีลสิษยาอธิจิตสิษยา อธิศีนบริบูรณ์อธิจิตพอประมาณอธิปัญญาพอประมาณ <_ t une> เขาก็เป็นพระสกะทาคามีมากลับกลับมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวมาม า, มารับภาระในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้าเขาศึกษาจนสําเร็จบรรลุเป็นพระอรหรันต์หรือศึกษาศึกขาอธิศีนบริบูรณ์อธิจิตบริบูรณ์อธิปัญญาพอประมาณเขาก็เป็นพระ อนาคามีบุคคลไม่กลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วโดยการปฏิสนธิถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าศึกษาสามบริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ทำที่สุดแห่งวัตถุทุกได้โดยประการทั้งปวงเพราะนั้นการศึกษาศิกษาสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผลกำไรที่เกิดจากการศึกษานั้นก็คือทำที่สุดแห่งแห่งทุก์ได้ทีนี้การที่เราจะศึกษาศึกษาทั้งสอธิศีนที่พระพุทธเจ้าสอนอธิจิตที่พระองค์แนะนําอธิปัญญาที่พระองค์สอนให้เจริญถ้าเราไม่เชื่อมั่นในพระองค์สัอย่างเดียวคือไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวการศึกษาของเราอย่างไรก็ไม่เจริญเติบโตแน่นอนเพราะว่าเราระแวงในผู้สอน ระแวงนะว่าพระพุทธเจ้าสอนศีลเหล่านี้ดีจริงหรือพระพุทธเจ้าสอนสมาธิสอนปัญญาเหล่านี้ดีจริงหรือเมื่อเราสงสัยในพระพุทธเจ้าเราก็จะสงสัยในศิก ข, ขาที่พระองค์แนะนำอีกทีนี้การที่เราจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้สึกว่าเราดีควรที่จะมีความรู้สึกอันหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าลาพานุตริยะเนี่ยนะเราต้องนึกว่าเราได้ดีแล้วที่เราได้เลื่อมสายใน พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นลาภานุตริยะถือว่าเป็นลาบทั้งหลายใน เ, เป็นลาบที่สูงที่สุดในจำนวนลาบทั้งหลายใครที่มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยมีลาบลาบแล้วว่าได้ถือว่าเป็นการได้ที่สูงสุดเป็นการได้ที่ไม่มีการได้ใดๆจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วการได้อย่างอื่นเนี่ยนะการได้อย่างอื่นก็ก็คือได้สิ่งที่มีชาติชรามรณะนะ ไดแก้แหวนเงินทองได้อะไรก็ช่างเถอะในโลกนี้ก็คือได้สิ่งที่มีชาติชารามรณะได้ได้ได้ชาติชารามรณะว่า ง, งั้นเถอะแต่ได้เลื่อมได้เลื่อมใสได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาความเลื่อมใสเหล่านี้เนี่ยเป็นการได้ที่สูงสุดเพราะเป็นการอ่าการได้ที่เป็นปัจจัยเพื่อพ้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและ อุป ая ตเป็นการได้เพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะผันใครที่มีมีความรู้สึกว่าตัวเองได้ดีแล้วที่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ า, านะนะบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากใครที่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้นับถือพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความภูมิใจเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สั่งสมมาบุญเป็น สั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาเป็นแสนแสนกับยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแม้แต่องค์เดียวก็ยาก น, นะอย่างอสงไขยที่สองมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกี่องค์องเดียวอสงไขยที่ส ม, มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสพระองค์อสงไขยที่สมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแค่สาองค์นะ หลังจากนั้นมาเนี่ยนะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแม้แต่องค์เดียวผนการที่เราได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกทั้งหลายการได้อันนี้พระองค์บอกว่าเป็นลาภานุตรยาเป็นการได้ที่ไม่มีการได้ที่ยิ่งไปกว่านะเราได้ดีแล้วชีวิตเราไม่ว่างเปล่าแล้ว ที่เราได้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่าการรู้จักพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักพระองค์ทั้งสในัยยะด้วยกันนัยยะแรกคือการรู้จักพระองค์โดยสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญประพฤติเรียกว่าจริยคุณเนี่ยนะจริยคุณคือคุณธรรมทั้งหลายที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าปุพระจริยคุณเป็นเหตุเนี่ยนะเป็นธรรมะฝ่ายเหตุ โดยทั่วๆไปแล้วคนทั้งหลายจะรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างวันวิสาขะรู้เลยว่าเป็นวันที่ประสูตรวันที่ตรัสรู้และวันปรินิพานแต่คนจํานวนไม่มากนะักที่จะกล่าวถึงเหตุที่ทําให้พระองค์มาประสูตรตรัสรู้และ น, นิพานถ้าถ้าไม่มีเหตุผลเหล่านี้จะมีได้หรือบอกมีไม่ได้นะเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็สําคัญอ่ะ พระพุทธคุณก็สําคัญเพราะนั้นพระพุทธคุณทั้งหลายนะที่เรารู้จักกันเนี่ยนะพระคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างอย่างที่ภาษารีบุตรยกมาเป็นตัวอย่างในการเจริญในหน้า15หใช่ไหมพระพุทธคุณทั้งหลายมีอะไรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพระองค์มีหิริมีโอตปะพระองค์มีศรัทธามีวิริยะพระองค์มีสติมีสัมปชัญญะพระองค์มีศีลวิสุทธิ ทิฏวิสุทธิพระองค์มีส ม, มถ t และวิปัสนากุศลมูลสมสุจริตสามสัมมาวิตกษสามสัญญาที่ไม่มีโทษสามท่าสาคุณธรรมเหล่านี้ถ้าไม่ได้ทําเหตุมาเนี่ยจะมีได้หรือไม่ได้หรอกแม้กระทั่งสติประธานสสัมมาประธานสีอิทิบาสีอริยมัคค์อริยมัคสี่อริ ย, ร ย, รยผลสการแทงตลอดอริยศา ส, สสี4ถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างเหตุมาไม่ได้บําเพ็ญบารมีสิบมา คุณธรรมเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสียานที่กําหนดกําเนิดสอริยวงสี่เวสารัชยานสีก็มีไม่ได้แต่เนื่องจากเหตุที่พระองค์ได้ทํามาเป็นอย่างดีคุณธรรมเหล่านี้จึงเกิดขึ้นขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีประธานิยังฆ่าห้าสัมมาส ม, มาธิมีองค์หมีอินทรีย์ห้าพละหนิสนัยญาติหวิมุตตายตนะหวิมุตติปริปรจินธรรมอีกห้า ห้าอย่างเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเป็นความรู้เป็นความสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้พระองค์ก็สอนสัตว์ไม่ได้แต่คุณธรรมเหล่านี้ก็เกิดจากเหตุอีกนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าปัญญาอยู่ๆปัญญาก็เกิดเองใช่ไหมแต่เนื่องจากมีธรรมะที่บ่มปัญญาบ่มคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นธรรมะที่บ่มคุณธรรมเหล่านี้ก็คือตัวในครั้งนะี้ก็คือบา ร, รมีสิบ เพราะบารมีสิบนี้คือพุทธกรกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมอย่างอื่นอีกเช่นสารานิยธรรม6อนุสติ6คารวะหนิสรินิยธาตุ6สัตตวิหารธรรม6อนุตริยะ6นิเพทาพาคิยสัญญา6อภิญญา6และอาสาธารณญานหอันนี้ก็เป็นธรรมะกลุ่มหมวด6ที่มีอยู่ใน พระพุทธเจ้าพันใครชอบตัวเลข1 2 3 4สออันไหนก็ได้หมดเลยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระองค์ยังมีอปริหานิยธรรมเจ็อริยสัพเจตโพชฌง7สัพปริสธรรมเจนิทสาวตถุเจ็สัญญาเจ็ทักษินายะบุคคลเทสนาเจขีนาสวะภระเทสนาอีกเจเนี่ยนะคุณธรรมหมวดเจเหล่านี้ก็เกิดจากเกิดจากเหตุคือพุทธกรกธรรมถ้าพระองค์ไม่ให้ทานมาเนี่ยนะ อริยทรัพย์เป็นต้นพระองค์จะมีได้ไหมไม่ได้เนื่องจากพระองค์ให้ทานรักษาศีลเจริญเนคมะพระองค์มีปัญญาและมีวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบ่มคุณธรรมของความเป็นพระอารหันต์ของพระพุทธเจ้าเป็นตัวที่ทําให้อ่าความเป็นอรหรันตสั ม, มาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังมีปัญญาปฏิลาภเหตุเทศนาอีก8สัมมตตะ8การก้าวล่วงโลกธรรม8พระองค์มีอารัมพวัตถุ8อักคณะเทศนาอีก8มหาปริสวิตก8อภิพายตนะ8วิโมก8นะคุณธรรมหมวด8เหล่านี้เกิดจากบารมีอีกนั่นแลนะถ้าไม่มีความอดทนที่จะบำเพ็ญบารมีมาตลอดศีอสงไขยแสนกับ นะไม่มีวาจาสัตว์รักษาคําสัตว์ที่ตัวเองได้ตั้งปณิธานมาเนี่ยนะถ้าไม่มีเมตตาต่อคนอื่นไม่มีเมตตาต่อสัตว์อื่นจริงๆเนี่ยนะพระองค์จะทนปฏิบัติคุณงามความดีจนได้คุณธรรมเหล่านี้ได้หรือเนี่ยนะนะขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ยังมีธรรมที่เป็นมูลแห่งโยนิโสมนัสิการอีก9องค์แห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์เสัตตาวา น, นะสัตตาวาส สัตววาด9นี่หมายถึงว่าพระองค์สามารถสอนเรื่องการการอยู่ของหมูสัตว์ได้9นะมีอาคาตตปฏิวินัยอีก๙ปัญญา9นานัตตะเทศนาก้านุปภาพวิหารธรรม9นะหมวด9คุณธรรมหมวด10ของพระองค์ก็คือนาถาการณธรรม10กสินายตนา10กุศลกรรมบท10 ส, สัมมัตตะ1บ อริยวาสสิบอเสขธรรมอีก10บรัตนสิ บ, สบกําลังของพระตถาคตอกีก10นะคุณธรรมเหล่านี้ก็เกิดจากทวนอีกครั้งหนึ่งนะเป็นผลทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นธรรมะฝ่ายเหตุแต่เป็นธรรมะฝ่ายผลอะไรเป็นผลที่เกิดจากการบําเพ็ญบารมีขณะเดียวกันผลเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นเหตุอีกเหมือนกันเป็นเหตุที่สงเคราะห์สัตว์ ถ้าพระองค์ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในตัวเช่นถ้าพระองค์ไม่มีกำลังของพระตถาคต10พระองค์จะสอนคนอื่นอย่างไรพระองค์จะรู้จักสัตว์อื่นได้หรือขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่ได้รับคุณธรรมอะไรบ้างอันนี้สงจากการเจริญเมตตา11พระองค์ตรัสรู้อาการธรรมจักสิบพระองค์ก็ประพฤติขัดเกลาด้วยุูดงขสา โปร่งมีพุทธยาน14พุทธยาน14ก็เช่นอนนะัยญาณในอริยสัจสี่ยานในปฏิสามพิธา4อาสาธรณายาณ6เนี่ยนะโปร่งมีวิมุติปริปรจินธรรมอีก15มีอานาปานาสติอีก16มีอป ร, รัมปรปริยธรรมอีก16มีพุทธธรรม18ปัจเจเวคขณะยาน19ญเกายวัตถุ44อุทยพย า, ยานาส50กุศลกุศลธรรมคือกุศลเจตสิกทั้งหลาย ที่อยู่ในจิตเนี่ยนะเกินห้าสิบคำว่านับแล้วนับอีกมียานวัตถุ77มหาวัชระยานอันเป็นจ a รีตร่วมกับสมาบัติอีกสองล้านสีโกดอันนี้ที่นับได้ที่นับไม่ได้ล่ะที่นับไม่ได้ก็คือเทศนายานเป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาสมันตะปทานอันมีนัยยะไม่มีที่สุดและพระองค์ก็ยังมียานที่ไม่มีที่สุดอีกอันหนึ่งคือยานที่ประกาศอัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ไม่มีที่สุด ในโลกธาตุอันหาที่สุดมิได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นคุณธรรมเหล่านี้มีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งนึกไปเท่าไหร่พระพุทธคุณทั้งหลายก็ไม่มีจบมีสิ้นถ้ายิ่งใครที่ศึกษาพระพุทธคุณมากรู้คุณของพระพุทธเจ้ามากสามารถที่จะเจริญพุทธคุณได้อย่างเช่นกับภาษาบดีนะภาษาฤบดีนีก็ถือว่าท่านเจริญ กุศลกรรมบทได้อย่างกว้างขวางคุณธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการบําเพ็ญบารมีบารมีเนี่ยนับแบบ10ธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนับหนึ่งได้ไหมนับหนึ่งได้ไหมได้อาศัยกรุณาเป็นหลักจริงๆแล้วคุณธรรมหลังหมดเหล่านั้นจะนับหนึ่งก็ได้เกิดจากการุณา การุณานะเป็นเหตุการุณาเป็นปัจจัยการุณากระตุ้นเตือนทำให้บำเพญ็ญคุณงามความดีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในหน้า 52-53 เนี่ยที่ได้กล่าว เ, เหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านับหนึ่งก็ได้นับสองก็ได้คือพระองค์เป็นผู้ที่มีบุญญาสมภารและญาณสมภารก็คือพระองค์มี ส, สัมภาระคือบุญมีสัมภาระคือญาณเนื่องจากพระองค์มีบุญและมีปัญญานี่แหละ พระจึงสร้างเหตุจนสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะท่านับแบบสามก็คือก็คือทำสุดจริญสามนั่นแหละจริงๆนะบารมีทุกข้อมันพ้นกายวาจาใจไหมพ้นจากความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจไหมก็ไม่พ้นก็คือความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจนแะแต่ก็อาศัยอธิษฐานธรรม4ี่ประการนะนะจะนับ4ี่ก็ได้คืออธิษฐานธรรมสี่ ก็คือสัจจาทิฐานจาคาธิฐานอุปสมาทิฐานและปัญญาทิฐานอธิฐานนั้นทำสี่นี่แหละทาให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราชอบหมวด4ี่นะหรืออีกพุทธภูมิ4ี่ก็คือปัญญ า, อ, านะอันนะอุตสาหะปัญญาอาวัตถนะและก็หิตจริยาอุตสาหะก็คือความเพียรปัญญาก็คือความรอบรู้อวัตถนะก็คือตั้งใจมั่นหิตจริยาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อที่จะปลดเปรื่องสัตว์ให้พ้นจากกองทุกขธรรมะเหล่านั้นถ้าจะแบ่งเป็นหก็ได้ใช่ไหมห้คืออะไรก็คือสัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เรียกว่าเป็นเครื่องบ่มมหาโพธิญาณคุณธรรมที่บ่มให้การตรัสรู้เกิดขึ้นถ้าถ้าไม่มีการเจริญสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่ แต่คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะท่านกล่าวไปแล้วก็เกิดจากอัธยาศัย6ประการอัธยาศัยหมีอะไรบ้างเกิดจากอัธยาศัยอะโลภาธยาศัยอโมหัตยาศัยอโธสัตยาศัยก็คืออัธยาศัยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขณะเดียวกันพระองค์ก็มีเนคคำมัธยาศัยวิเวกัตยาศัยและนิสรณะสยาศัยก็คือมีอัธยาศัยในการออกจากวัตตนนั่นเอง นะที่ทําได้อย่างนี้ตลอดนานก็เนื่องจากพระองค์มีปฏิญญาเจประการใช่ไหมปฏิญาเจประการทวนนะมีอะไรบ้างพระองค์มีปฏิญาไว้ว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วย <S <s เราฝึกแล้ ว, ลลวจะให้ผู้อื่นฝึกด้วย <S <s เราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วย <S <s เราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วย เราบริสุทธิ์หมดจดแล้วจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์หมดจดด้วยพุทโธโพเทยังเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยปณิธานเจประการนี้ยิ่งใหญ่มากที่ที่สามารถทาให้พระองค์เนี่ยสร้างเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จขณะเดียวกันเนี่ยนะที่ดำเนินได้ต่อเนื่องก็เพราะพระองค์มีความตรึกอยู่ในใจอยู่อีก8ปประการมี นะความตรึกเรียกว่ามหาปริสาวิตกเป็นการตรึกแบบมหาบุรุษคือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ประพฤติคุณธรรมเพื่อความประเสริฐแปดประการคือขันเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษนะมีอัธยาศัยในวิเวกวิริยะขันตินะมีส ต, ต, มมติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีปัญญาแล้วก็มีความไม่เนิ่นช้าคือพระนิพพานเป็นที่มายินดีเนื่องจากว่าท่านมีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพาน และอีกในหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าเหตุที่ทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากพระองค์มีกุณธรรมอีกเกประการอันหนึ่งนะที่ที่เป็นเหตุที่สําคัญเนื่องจากพระองค์มีโยนิโสมนัิการเป็นข้อแรกเมื่อพระองค์มีโยนิโสมนัิการทําให้พระองค์เกิดการเจริญกุศลต่างๆโดยประการต่างๆเมื่อโยนิโสมนัสการที่เป็นเหตุใกล้แห่งกุศลธรรมทุกชนิดเป็นเหตุให้พระองค์ได้เกิดปราโมทมีปีติปัสัตทิสุขสมาธิ ยะถาภูตยานทัศนะซึ่งเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนิพิทาวิราคะแล้วก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้ก็ถือว่าเกิดจากอะไรเกิดจากโยนิสโสมนสิการนั้นกุศลธรรมทุกชนิดมีโยนิสโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้เป็นมูลหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะ คุณธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็กคือเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหรืออัธยาศัยของพระองค์ก็คืออัธยาศัยในการบําเพ็ญบารมีสิ น, นะมีอัธยาศัยในทานพระองค์มีอัธยาศัยในเสนเนกขมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและโอเบขาขณะเดียวกันอีกในหนึ่งก็ได้ว่าก็มีอัธยาศัยในบุญญกิริยาวัตถุ10มีอะไรบ้าง นะบุญญากิริยาวัตถุสิบก็คือทานศีลภาวนานะการอ่อนน้อมถ่อมตมการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นการอ ะ, อะไรนะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นอนุโมทนาบุญของผู้อื่นมีการฟังธรรมมีการแสดงธรรมและการทำความเห็นให้ตรงคุณธรรมเหล่านี้ซึ่งมีการนับแบ่งเป็นหมวด1หมวด2หมวดสหมวด4หมวด5หมวด6หมวด7ดหมวด 8, หมวด9หมวด10อันนะเหตุเหล่านี้คือเหตุที่ทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ในบรรดาอัธยาศัยทั้งสิประการโดยเฉพาะอัธยาศัยในทานศีลเป็นต้นเนี่ยนะอัธยาศัยในทานเนี่ยพระองค์ตั้งไว้เสมอว่าเราจะให้ทานเหมือนกับหมอความตามรักษากุศลศีลเหมือนนกอะไรนะเหมือนจามมารีรักษาขนหาง เจรเนฆะธรมะต้องการออกจากวัตตะเหมือนคนที่อยู่ในคุกด้วยความทรมานต้องการจะออกจากคุกมีอัทยาศัยในการสแสวงหาปัญญาเหมือนพระพิสุแสวงหาอาหารสแสวงหาความรู้เนี่ยนะมีอัธยาศัยที่จะภาคเพียรพยายามอย่างองค์อาจไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลเหมือนกับราชสีมีความอดทนเสมือนกับแผ่นดิน มีจิตใจที่มั่นคงเหมือนกับภูเขาหินตั้งมั่นนะคำพูดคำสัตว์คำจริงคำพูดใดที่ปรารบจะเจริญกุศลไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับดาวที่โครจรเนี่ยนะดาวประกายพฤกที่โครจรมีอัธยาศัยน้อมไปด้วยเมตตาเหมือนกับน้ำที่ให้ความเย็นแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีอุเบกขา มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเหมือนกับแผ่นดินอันนี้ก็คือการสมาทานของพระองค์ท่านอันเนื่องจากการสมาทานโดยเฉพาะอย่างบารมีต้นๆบารมีแรกๆเนี่ยนะก็คือทานะ้บารมีทานเนี่ยนะพระองค์ตั้งใจไว้ว่าพระองค์จะให้เหมือนกับม้ะควาำเพราะนั้นการให้ของท่านเหล่านั้นเนี่ยนะคนตณีเนี่ยฟังแล้วทำใจไม่ได้เพราะนั้นคนตณีจึงไม่มีเข้าของเลย คนตันีทั้งหลายแม้แต่จะให้ก็ยังคิดไม่ได้แต่คนตันีทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ยากไรในทรัพย์อีกนั่นแหละในโลกนี้เนี่ยนะทรัพย์ในโลกนี้เป็นของคนมีบุญท่านคนที่มีบุญเขาก็น้อมไปที่จะให้ในที่สุดของทั้งหลายก็เป็นของของเขาแต่ใครที่ยิ่งตันีมากก็ยิ่งยิ่งแคบมากยิ่งแคบมากก็เลยใจก็เลยคับแคบเหลือเท่าตัวนอนท่า<ม>น นันเรามาฟังดูว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ท่านเจริญกุศลจนได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรบ้างอันนี้เฉพาะตัวอย่างในกับนี้นะเฉพาะตัวอย่างในกับนี้ไม่ต้องพูดถึงอดีตเมื่ออะไรนะตลอดระยะเวลาสีสงไขที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องพูดเอาเฉพาะในกับนี้ที่ไม่นานมานี้แหละอย่างในเรื่องของสังพรามสังขปามจริยาในหน้า56 ข้อที่สองอีกเรื่องหนึ่งอ่นนะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่าสังขะพระองค์เล่าให้ใครฟังอ่นนะเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่าสังขะประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่านะเป็นการเล่าให้พระสารีบุตรฟังเพราะว่าพระสารีบุตรถามวา่าอ่าเพราะสาิ่งเหล่านี้พระองค์ทําอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทําอะไรบ้างจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าก็บอกเอา้ายกตัวอย่างให้ฟังเฉพ pressure, าะกับนี้นะเช่น ตอนที่เราเป็นพราหมณ์นามว่าสังข์บับชื่อเหมือนอำเภอบ้านเกิดเลยนะท่าบอกว่าต้องการจะข้ามมหาสมุทรไปอาศัยปัตตนาคามอยู่ก็คือเวลาที่จะข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะต้องการจะไปลงทะเลก็ไปที่ปัตตนาคามปัตตนาคามนี่เป็นเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ทะเลครั้งนั้นเราได้เห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองเพราะปัจเจพระ ป, ระ เ, จระประเจกไม่มีใครสอนใช่ไหม พระประเจกนั้นเป็นผู้ที่ใครๆชนะไม่ได้คือไม่รู้จักคําว่าพ่ายแพ้ปราชัยเพราะพระประเจกกระพุทธเจ้าชนะกิเลสมานเป็นต้นนะตอนนั้นพระโพธิสัตว์ได้เห็นพระประเจกซึ่งเดินสวนทางมาทางที่พระประเจกเดินมานี่ยไปเชื่อว่าทางกันดารกันดาร น, นี่แปลว่าเป็นที่ที่เดือดร้อนน่ะนะเพราะบนภาคพื้นนั้นแข็งกระด้างหรือว่าทรายที่ร้อนระอุแล้วก็ร้อนจัด ที่แข็งก็แข็งขนาดไอ้ที่ร้อนก็ร้อนระอุใครเคยทอรองเท้าเดินบนถนนลาดยางนั่งนะหรือไม่ก็ไปประทักศิลเจดีแล้วจะรู้สึกนะโอ้ยแต่ยิ่งใจดีใจดีไหนที่เขาขัดหินอ่อนกันอย่างดีมันแผลบเนี่ยนะโอ้โหวางเท้าดูเถอะก็ลองฝึกเหยียบเอาไว้เนี่ยนะอันนี้แค่พื้นธรรมดานะเนี่ย ยอมเขาเล่าว่าโอ้โหเอามือลูบไปในกระทะเนี่ยแค่นิดเดียวนี่ยังปวดขนาดนี้เลยนะแต่ไปแช่อยู่ในกระทะจะร้อนขนาดไหนพอมาก็เห็นด้วยว่าใช่ใช่ถูกต้องนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเหยียบในพื้นที่ร้อนระอุ ด, ดูนะ่จาจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนที่มีอัธยาศัยในบุญเนี่ยนะเขาเห็นอะไรเขาจะคิดเป็นบุญคนอัธยาศัยเรื่องทานเนี่ยนะมองเห็นเขาก็น้อมไปเพื่อจะให้ทานคนมีอัธยาศัยเรื่องศีลเห็นอะไรก็คิดเรื่องศีล คนที่มีเนคขมมะเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญเนคขมมะสรุปว่าคนมีอัธยาศัยเป็นไปในบุญเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญบุญถ้าคนขี้โกรธเนี่ยเห็นอะไรมันก็น้อมไปโกรธได้หมดนะเชื่อไหมคนที่คิดเป็นบุญเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเป็นบุญนี่ก็เหมือนการพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มองเห็นพระปัจเจกที่เดินด้วยเท้าเปล่าที่เหยียบพื้นทรายที่ร้อนระอุ ครั้นเราได้เห็นท่านเดินสวนทางมาจึงคิดเนื้อความนี้ว่าคิดเนื้อความก็คือคิดประโยชน์เนื้อความตรงนั้นเนี่ยที่จริงต้องแปลว่าประโยชน์คือคิดถึงประโยชน์ได้เกิดนะเนื้อความนี่แปลว่าประโยชน์ก็ได้ น, ะนี่นะอัฏฐะนะอัฏฐะก็คือประโยชน์กว่านาบุญนี้มาถึงแก่เราผู้เป็นสัตว์ที่ต้องการด้วยบุญนะหมายว่าเนี่ยนะนาบุญมาแล้วนาบุญมาแล้ว ถ้าเห็นนาบุญเนี่ยใครที่ต้องการบุญไม่ทําที่นาบุญหรือเนี่ยนะก็คือคิดถึงประโยชน์ได้เลยทันทีว่าโอ้นาบุญได้มาถึงเราผู้ต้องการบุญอยากได้บุญอยู่พอดีเลยเนะก็มีนาบุญเพื่อนมาเนี่ยนะเหมือนอะไรดีเหมือนหิวจะจัดเห็นร้านอาหารนี่จะเดินผ่านไปไหมอาหารที่ต้องการด้วยนะนี่ก็เหมือนกันตรงนี้ท่านเปรียบเหมือนบุรุษชาวนา เป็นบุุรชาวนาชาวนาขนานแท้เนี่ยนะเห็นนาอันเป็นอู่ข้าวอูน่น้ำไม่ปลูกพืชลงในนานั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการด้วยข้าวเปลือกฉันใดนะแต่ก็จริงนะอัธยาศัยชาวนาเนี่ยเห็นดินที่ไหนงามๆเนี่ยนะคิดแต่จะเพาะจะปลูกเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยโยมเ็เล่าว่าโอ้ยดินดีจริงๆเนี่ยถ้าลงกล้วยนะคงจะงามมากนักเพาะนักปลูกเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อเพาะปลูกฉันใด ผู้ต้องการบุญก็ลักษณะนั้นเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการด้วยบุญต้องการด้วยบุญบุญนี้เป็นชื่อของอะไรบุญนี้เป็นชื่อของความสุขแล้วก็เป็นชื่อแห่งเหตุแห่งความสุขยังผลที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องการความสุขต้องการเหตุแห่งความสุขต้องการวิบากที่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นเห็นนาบุญอันประเสริฐสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าไม่ทาบุญ คือทำสักการะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการบุญเขบอกว่าแม้เออเชื่อว่าเป็นชาวนาแต่ไปเห็นนาแล้วขี้เกียจขี้กเกียจเนี่ยนะจะเรียกว่าชาวนาได้ไหมเรียกว่าพลสแสวงหาข้าวได้ไหมฉันใดผู้ที่เรียกว่าตัวเองเป็นผู้สแสวงบุญก็เหมือนกันเห็นนาบุญก็บอกโอจะต้องหว่านต้นบุญลงได้แล้วเนี่ยนะถ้าคนที่มีอัธยาสัยเจริญกุศลเนี่ยเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลแต่ถ้าคนขี้โกรธเนี่ยว่าไงรู้ไหม ก็มาทำไมก็แดดมันร้อนเราท่านไม่น่าจะมาโดนแดดมันร้อนอะไรแบบนี้เลยใช่ถ้าคนที่เป็นอกุศลนะคิดจนได้บาปเอา